หลวงพ่อเห็นรูปที่จัดคอสที่กระบี่วะใช้ได้นะก็เข้าคอสดู ด, ดีขึ้นได้ยินไหมข้าล่งมีคนไม่ได้ยินนะฟังเสียงหลวงพ่อยากนิดนึงนะช่วงนี้เสียงไม่ค่อยจะมีเ้วย ที่สำคัญเวลาเราพูดหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินการส่งการบ้านจะลำบากไปส่งผู้ช่วยสอนก็ได้เยอะแยะเลยนะวันนี้มีหลายคนนะวันนี้อาจารย์ก็มาอาจารย์หลักแม่นนะ หลักการปฏิบัติเนี่ยแม่นเพีย้ยเลยข้อดีของอาจารย์ก็คืออันไหนที่เกินความรู้นอะาจารย์บอกไม่รู้ตรงนี้ดีมากๆเลยนะหายากนะส่วนมากไม่ค่อยรู้อ่ะแต่ใครถามอะไรตอบหมดเลยนะมัวมัวมนบาปมากนะไสอนกรรมฐาน แล้วคนเข้าใจผิดทำผิดไปเนี่ยบาปติดตัวคนสอนถึงเวลาที่ตัวเองจะภาวนาเนี่ยภาวนาผิดปดตูกไปเรื่อยกรรมนี้แรงมากยันคนไหนที่หลวงพ่ อ, อยังไม่ได้ให้สอนก็ อ, อย่าพยายามไปสอนไม่รู้หรอกว่ามันสร้างบาปใส่ตัวเองกวางมรรคผลของตัวเอง ไปทำให้เขาเข้าใจผิดนะปฏิบัติผิดไปเนี่ยคนบ้าไปเลยก็มีนะเราตอนสอนลรวรู้สึกซาเก่งกูเก่งกูเก่ ง, กงอันตรายมากเลยเราให้แสงสว่างกับคนอื่นนะเราก็ได้รับแสงสว่างเราให้ความมืดให้ความหลงผิดกับคนอื่นเราก็ได้ความมืดมาภาญายาก เห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วในวัดนี่ก็มีนะพระก่อนบวชนี่ไม่ได้สอนเองนะเที่ยวพาพาคนไปเรียนกรรมฐานที่โน้นที่นี่เอาภาวนาผิดถึงเวลาตัวเองภาวนาหู้ละมบากมากกว่าจะผ่านกรรมตัวนี้ได้ งั้นพวกเราอย่าพยายามแย่งกันสอนนะอาจารย์มาเล่าเหมือนกันมาไปตอบในเน็ตจนะมีคนพยายามมาช่วยตอบด้วยนะผิดผิดถูกถกไปอันตรายมากเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองอยากใหญ่อยากเด่นอยากดัง มีบางคนนะไปสำนักอื่นสอนที่นี่ไม่ได้หลวงพ่อไล่ไปที่อื่นก็ไปบอกเขาว่าเป็นลกูกสิธิ์หลวงพ่อหลวงพ่อรับรองแล้วไม่ได้โสดานะีว่าเรารับรองอีกเนี่ยนะทั้งที่เราบอกอยู่เรื่อยๆนะสิทธิในการรับรองเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของสาวก หลวงพ่อพาให้ดูกิเลสตัวเองเท่านั้นแหะถ้ามีสติมีปัญญาแนละ้วก็เห็นนะเรายังมีกิเลสตัวนี้อยู่ไม่ใช่พาณิยชนิดนี้ชนิดนี้ก็ดูอย่างนี้รู้ตัวเองที่จะไปหลอกเขาแลวไปสอนกรรมฐานในสำนักคนอื่นเขาด้วยเขาก็หรือว่าโอ้ลูกศิษหลวงพ่อประโมกนะเขาก็าเกรงใจบางทีที่จริงไปหลอก หาผลประโยชน์นะมีอย่ามาอ้างนะว่าเรียนอย่หลวงพ่อแล้วจะสอนคนได้ไม่ใช่คนละเรื่องกันหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าฝึกตนเองดีแล้วถึงฝึกผู้อื่นสอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยสอนคนอื่นสิ่งที่สอนคนอื่นนะตัวเองต้องทำได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง อย่ามั่นใจไม่ใช่เดาๆเอาอนุมานเอาอย่างนั้นใช้ไม่ได้อาจารย์เกดีตรงนี้แหละ ว, ว่าอันไหนไม่รู้คือไม่รู้บอกตรงๆเลยไม่อ้อมทำไมอาจารย์ไม่อำ้ำเพราะอาจารย์ไม่ใช่ผี ดูนี่มีทอดกระินนะใครจะมาเรียนกรรมฐานก็ไม่ต้องมาก็ได้มีเวลาเรียนไม่มากเก้าโมครึงต้องเริ่มทอดกรถินละวช่วง ช, ชาวหลวงพ่อประเทศปกติช่วงสายรเทศถึงเก้าโมงครึงทอดกรถินวัดหลวงพ่อสบายๆไม่มีอะไรมากไม่มีมหัศรสพสมโพธินะ ไม่มีลูกทุ่งไม่มีหนังไม่มีอะไรใครจะทอดจะติดเมื่อก่อนนี้ให้จองนะก็จะมีเจ้าภาพหลักคนหนึ่งคนอื่นก็มาร่วมกันทำถือเป็นกระถินสามัคคีกันทำ ต, ตัวเจ้าภาพเนี่ยสิ่งที่นำมาคือผ้าหนึ่งผืนต้องการแค่ผ้าเนทะ่านั้น ทอดกระถินไม่ใช่ต้องการปัจจัยนะกระถินเนี่ยสมัยโบราณสมัยพุทธกาลผ้าหายากพระพุทธเจ้าเลยอนุญาตให้ทอดกระถินได้ผ้ามาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยพระก็จะมาลงมติกันว่าจะให้องค์ไหนองค์ไหนผ้าชำรุดผ้าเก่าอะไรเงี้ยจะให้องนั้นไป ให้ไปแล้วเนี่ยพระทางวัดต้องมาช่วยกันดัดแปลงผ้าผืนนั้นให้เป็นสบงหรือจีวรอะไรเงี้ยหรือสังคติสังคติคงตัดไม่ทันจีวรก็ตัดไม่ทันต้องทำให้เสร็จในวันนั้นยังอย่างเช้าๆทอดกรถิ่นเนี่ยดังเดิมเราผ้าขาวมาผืนเดียวแหละพระพระต้อผ้ามา ตัดมาเย็บมาย้อมแล้วก็ประชุมสงฆ์ลงมติต้องทำให้เสร็จก่อนสว่างให้ทาให้เสร็จเดี๋ยวนี้พระเย็บผ้าไม่เป็นแล้วพระเย็บผ้าไม่เป็นเราก็เอาผ้าสำเร็จรูปมาส่วนใหญ่ที่พระใช่จริงๆนะก็แค่ผ้าสบงสบงขาดเร็วที่สุด ว่าเท่ากินที่นี่หลวงพ่อไม่บังคับว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราไม่พูดเรื่องเัน้นเราพูดแต่เรื่องพระธรรมวินัยวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้ต้องอาศัยเงินกฐินไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรไม่ต้องอย่างสร้างวัดมาเนี่ยรวมแล้วก็หลายสิบล้านนะสร้างโบสถ์นี่ก็แพงหลวงพ่อไม่ต้องเรืยออะไร หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่ ด, ดูลสอนเคล็ดลับไห้บอกพระอยากรู้ไหมใครอยากรู้ทำยังไงเออดีละจบเอาซะหน่อยก็ได้เดี๋ยวเสียใจหลวงปู่บอกว่าพระไม่มีหน้าที่สร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารศาลาอะไยกูตรงกูตีเลยเนะี่ย พระมีหน้าที่ภาวนาภาวนาให้ดีแล้วเดี๋ยวโยมก็สร้างให้เองคุณหลวงพ่อเลยไม่ท้องเรียอะไรหลวงพ่อภาวนาแล้วพวกเราพอมาขอสร้างโน้นสร้างนี่หลวงพ่อต้องคอยเปรกอยู่ด้วยนะบางทีขอทําเยอะไปอย่างตะกอนมีเรื่อยๆเลยจะเาที่ดินมาถวายให้หลวงพ่อไปสร้างวัดเรือไปใช้ประโยชน์หลวงพ่อบราไม่เอา พระเรามีไม่มากพระพันสาอย่างน้อยแยกไปอยู่เดี๋ยวๆก็อยู่ไม่ได้พระปฏิเสธที่ดินไปนี่นับไม่ท้่วเลยเยอะแยะเลยจะขอสร้างไรโน้นสร้างนี้มากไปพระสบายเกินไปก็ไม่ดีก็ไม่เอาเลยอยู่กันแค่นี้ ทอดกระตินก็ไม่ต้องเรอะไรสบายสบายเราบอกเจ้าภาพด้วยไม่พิมพ์ซองนะไม่ต้องแจกซองแค่บอกเขาว่าจะทอดกระตินวันนี้วันนี้สนใจก็มาทอดไม่สนใจก็แล้วไปแล้ววันนี้ตั้งมาสิบสี่สิบสี่ปี คั้งนี้ทอดกรถินครั้งที่สิบสี่หลวงพ่อรับกรถินนะปีแรกเท่านั้นหลังจากนั้นหลวงพ่อไม่เคยรับกรถินอีกเลยให้พระอื่นท่านได้ผ้าไปเราไม่จำเป็นผ้าของหลวงพ่ อ, อยังมีอยู่ก็ไม่ต้องใช้พระวินัยของพระพุทธเจ้านะเป็นไปเพื่อลดละกิเลส ไม่วุ่นวายชีวิตถ้าพระทำตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ร่มเย็นเป็นสุขมีบางทีพระมาจากต่างจังหวัดนะจะมาขอเงินหลวงพ่อจะไปสร้างโน้นสร้างนี้หลวงพ่อไล่เลยนะครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนครูบ า, าอาจารย์บอกให้ไปภาวนาพระมีหน้าที่ภาวนา แล้วภาวนารู้เรื่องแล้วก็บอกต่อเก็เท่านั้นเองเงันที่วัดส่วนสอนธรรมเนี่ยมีจิจกรรมมันเดียวคือสอนไม่มีอย่างอื่นหรอกสอนจนสอนไม่ไหวนะคนเยอะเหลือเกินหลวงพ่อเลยพยายามสอนหลักของการปฏิบัติให้เมื่อพวกเรารู้หลักแล้วไปลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ติดขัดจริงๆก็มาถามได้ถามหลวงพ่อไม่ได้ก็ถามผู้ช่วยสอนมาอย่างผู้ช่วยสอนที่ภาวนาดีจริงๆก็มีอย่างจนาันะาคุณแม่ชีพวกนี้พวกนี้ภาวนาชำนิชำนานแลไวก็ลองลองลงมา นี่มีคนมาลองทุกหลวงพ่อนี่นอกเรื่องนิดหนึ่งพอกอยากไปส่งกันบ้านพระอาจารย์นะเข้าไม่ถึงคนต้ไปนั่งล้อมเล่านิทานอะไรให้พระอาจารย์ฟังกันนะถ้าไปพวกที่ไปแบดล้อมพระอาจารยนะ์น้เนี่ยแบ่งซีกไปเลยนะพวกจะนั่งเล่นกับ น, นั่งฝั่งหนึ่งนะเปิดช่องไว้ให้คนที่เขาติดขัดกรรมฐานนะเขาจะได้เข้าไปเรียน หน้าที่พระภาวนาแล้วก็สอนไม่ใช่สอนแล้วภาวนาคนะือภาวนาพวกเราก็เหมือนกันนะเรียนกรรมฐานได้นิดๆนหน่อยๆก็อยากสอนใจพระเลารถอยากสอ น, อสอนที่จริงเป็นธรรมดาเ ป, เป็นแทบทุกคนนะ สมัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาไปภาวนานอยู่กับหลวงปู่กินารีตอนจะลาออกจากหลวงปู่กินารีออกทุดงหลวงปู่กินารีลูกศิษย์หลวงปูเ่เสาตอนจะลาหลวงปู่กินารีออกมาหลวงปู่กินารีสั่งว่าชาอย่าสอนนะ บอกว่าอย่าสอนอย่าเทศท่านก็รับปากาออกมาจากสำนักครูบาจารย์ผ่านไปช่วงหนึ่งนใจมันอยากเทศตลอดเวลาเลยเล่าร้อนกระวนกระวายอยากพูดนื้ขึ้นได้ครูบาจารย์ห้ามท่านก็เลยผ่านตัวนี้ได้ภาวนานดีขึ้นดีขึ้นถ้าไปพูดเพรอเจอซนะคนสอนคนผิดผิ ด, ผดเนีย่ยบาป ร้ายแรงมากคือฝึกตัวเองให้ดีฝึกคนอื่นที่หลังนี่ถ้าเราภาวนาได้เบื้องต้นพอรู้นิดๆหน่อยๆอยย่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะคือแจกซีดีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้หลายองค์ที่ท่านแจกซีดีหลวงพ่อท่านเทศไม่ไหวแล้ว เวลาคนจะไปถามธรร ม, มานนะนะซีดีไปฟังบางองค์ท่านก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะเป็นเครื่องอยู่สบายสบายใจมีหลายองค์ได้ยินมางั้นถ้าเรายัางสอนไม่เป็นไม่ต้องเรียบสอนนะแจกซีดีนนให้เขาไปฟังเอาเอแนะนํำยูทูบให้เขาไปฟังอย่าน้อยก็ไม่มีโทษถ้าผิด คือหลวงพ่อสอนผิดบาปไปตกกับหลวงพ่ออย่างเนี่ยพวกเราไม่ต้องบาปอา้าวใครจะสง่งนบ้านเป็นการทดสอบการส่งงันบ้านคือถ้าหลวงพ่อไม่ได้ยินก็จะตวจได้แค่เนี้อา่าวยมปฏิบัติโดยการ นั่งสมาธิแบบเป็นรูปแบบประมาณ2 0สบถึงสสนาทีวันละครั้งเจ้าคะ่ะทำต่อนเนื่องมาประมาณหนึ่งปีก่อนหน้านี้ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วพยายามาใช้สติดูในชีวิตประจำวันมากขึ้นทีนี้โยมมีคำถามว่าหลวงพ่อเคยสอนว่าเวลาเห็นอะไรให้เห็นเอาไม่ให้คิดเอาแต่โยมเป็นคนช่างคิด โยมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างโยมเดินอยู่ในบ้านเห็นรูปลิงซึ่งพี่สาวเคยให้ไว้แต่ตอนเป็นเด็กๆตอนนี้พี่สาวตายไปแล้วพอโยมเห็นรูปลิงเนี่ยมันก็สะกิดใจนึกถึงพี่สาวตอนที่ให้แล้วก็มีความสุขเห็นตัวเองยิ้มความสุขในวัยเด็กสักแป๊บหนึ่งมันมีอารมณ์เศร้าแทรกขึ้นมาพอโยมรู้ตัวโยมก็หยุดแล้วที่หยุดอะไร คือคือมีสติแล้วหยุดย้อนกับไปคิดถึงสภาวะที่ผ่านมาโยมมักจะคิดว่านี่ไงพอโยมผัดสะแล้วก็มีสัญญาเกิดขึ้นอันนี้คิดนะคิดใช่ไมเจ้าคะคิดทางนั้นเลยรถ้าอย่างนั้นโยมต้องพอรู้แล้วก็ให้ผ่านไปไม่ต้องกลับไปทบทวนเลยไม่ไหมทบทวนหรอกอย่าเราจิตเศร้ารู้ว่าเศร้าจบแล้วเราจะดูิญเห็ น, น, น ความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ไม่ต้องไปแก้ไขมันไม่รักษาไม่ดับมันไม่แก้ไขมันรู้มันอย่างที่มันเป็นถึงจะเป็นวิปัสนากรรมฐานวิปัสนามาจากคาว่าวิกับปัสนะปัสนะเพรว่าการเห็นวิแปลวแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นไตรลักษ งี้อย่างเราเศร้าขึ้นมาแล้วเราก็มานั่งสอนตัวเองเนี่นยเราหลงไปอดีตใจก็เลยเศร้าอะไรสอนสอนนี่ฟูกงสร้างนะอย่าทำรู้สภาวะโลกปัจจุบันไปเรื่อยๆอีกคำถามหนึ่งเวลาที่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อพูดถึงเมื่อส่งจิตออกไปแล้วเนี่ยให้เห็นให้ให้เห็นว่ามันดับ แล้วจิตดวงนั้นดับมันจะมาเกิดใหม่ตรงที่กรรมฐานที่เรายึดไว้เราเห็นไม่ทันบาง <c oughs> บางทีมันไม่ดับเจ้าค่ะมันไม่ดับสิมันไม่ดับแล้วเราก็มันเห็นแต่เกิดหลวงพ่งพอไม่ให้ดึงกลับยมไม่เข้าใจคำว่าดึงกลับเพราะว่าบางทีอย่าขณะเนี้ยจิตฟุ้งซ่านดูออกไหมออกเจ้าค่ะเวลาดึงกลับพอรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็ดึงมันให้มันนิ่งใจจันแน่น ถ้าใจมีน้ำหนักขึ้นมานะหนักหนักแน่นๆ่นขึ้มานะนแสดงว่าดึงแน่นอนอย่างขนาดเนี้ยดึงแล้วเมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมเจ้าค่ะอ่าให้คนเห็นบ้างทองยมให้พูดถึงเย็นก็พูดได้อ่ะดูเป็นนับพูดอยู่การค่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูอยากจะสอบถามหลวงพ่อค่ะว่าทุกวันนี้หนูจิตตื่นบ้างแล้วหรือ ย, อยังตื่น <พ>แต่มันยังฟุงสร้างเก่งนะทุกวันทําในรูปแบบหายใจเข้าพูดออกโทรอะไรก็ได้ทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทานจิตตัวเองไปได้เรื่อยนะเช่นหายใจไปจิตนี้ไปคิดก็รู้หายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะอย่างนั้นแล้วเราก็จะพัฒนาเนี่ยอย่างเนี้ยคนแรกฮะตอนนี้เพ่งไว้มัเนะจะแน่น แล้วก็อยากถามหลวงพ่อว่าเวลาหนูเดินจงกรมอะคะ่ะถ้าหนูเห็นกายหนูจะไม่เห็นลมหายใจอะคะ่ะถูกแล้วจิตเพืว่าลมได้คลั่งแล้วย่างเดียวถ้าหนูหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูกายหนูขอดูกายในการเดินได้ไหมคะมาเดินให้ดูสิวางไม่ไปหลงแล้วหลงไปคิดแวบแลนะ้วรู้สึกไหม รู้ทันอย่างนั้นแหละเดินไปแล้วก็คอยนะเวลาไม่มีอะไรทางใจให้ดูเราก็เห็นร่างกายมันเดินไปแล้วพอใจมันทำงานขึ้นมาก็รู้เท่าทันมันยังไม่ได้บอกให้เลิกเลยเดินอีกเกรงแล้วรู้สึกไหมนะเกรงนี่ไม่ดี เราไม่ได้รู้กายตามธรรมชาติธรรมดานละ้หลงแล้วรู้สึกไหมเพราะงั้นเดินไปด้วยความมีสตินะแล้วถ้าเห็นจิตมันทำงานได้ก็เห็นจิตถ้าดูจิตไม่ออกมันเฉยเฉยก็ดูกายเมอนเดินไม่ใช่เราเดินคนอื่นก็เหมือนกันนะสอนทีเดียวทั้งห้องเลยหลงหลงหลงหลง ไปนั่งได้แล้วตอนที่หมุนตัวมันหลงแล้วนะกลับขอบพร ะ, ระคุณค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ส่งนะถ้าจะส่งก็ส่งวันนี้พรุนี้ก็ไม่ส่งแล้วจะส่งเมื่อไหร่ขณะนี้จิตเป็นธรรมดาไหม <S <S เออ มันไปทำอะไรอยู่ตื่นเต้นอ่ตื่นเนะต้นเราบังคับมันอยู่ควบคุมมันอยู่ดูออกไหมจิตตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมชาตินะ่ะไม่ว่ามันเราไม่ชอบเราพยายามเข้าไปแทรกแซงตัวนี้แหละที่ผิดงั้นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นแค่นี้ก็ถูกแล้วแล้วเขาคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปอะว่ามา ขอคำแนะนำเพื่อเพลินนะนามาแต่เช้าแล้วไปทำเาที่ภาวนาก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานทีเดียวดูออกไหมเออถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแก้หรอกรู้ว่าไม่เข้าฐานเดี๋ยวก็เข้าเองแหละอือะไรนะ ต้องพูดเข้าใหม่ถึงจะได้ยินเนี่ยเขามีลําโพงให้หลวงพ่อคนเดียวนะหกตัวเนี่ยข้างละสามว่าไงนะฟังไม่รู้เรื่องเลยหมดแล้วจ้าค่ะหมดแล้วนะ<อ>รู้เปล่าคํ า, ว, นะาคว่าหมดแล้ว่ะหมายถึงอะไรคําว่าหมดแล้วคําว่าสิ้นสงสยัยคําว่าอะไรเนี่ยนะ <c oughs> เป็นเทคนิคโคเทอรอ้าวนี่รุ่นพี่พาจานยาตอนเป็นโยมนะซี้กันมากเลยอยู่ชมรมมนุรักษ์ขึ้นป่าเครือบเขาอะไรไปกันด้วยกันอาจารย์าบวชนะตัดญาติขาดมิดเลยไม่คุยด้วยเลยอาจารย์แบบฟองเลยเนี่ย รู้สึกไปเรื่อยรู้สึกเอาใครจำเป็นจะส่งงันบ้านมีไหมกลับนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะหลวงพ่อให้หนูไปสวดมนต์แล้วก็ดูกายแล้วก็เห็นจิตได้ก็ดูจิตตอนนี้หนู รู้สึกว่าที่เกิดขึ้นกลางอกนะคะมันมันเป็นเองแล้วก็มันมีตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งก็ทำให้หนูไม่ไม่อินกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นดูอย่างนั้นแหละดีนะสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านเดินทางสายพุโทโธแล้วมาพิจารณ์ ก, กายนะพอได้ถึงขั้นที่สามแล้วถึงจะเริ่มดูจิตกัน ท่านบอกว่ากายเนี่ยเป็นสนับรบของพระโสดาสกทาคานาคาจิตเป็นสนามรบสำหรับเป็นพระอรหันต์เนสมัยก่อนเนี่ยกวาจะเห็นความไหวกลาา อ, อกเนี่ยยากมากมีไม่กี่คนอะที่เห็นพอเดินยาวหลวงพ่อเคยสงสัยถามหลวงพูดดูลเหมือนกันไหม หลวงพ่อดูจิตแล้วต้องย้อนไปดูกายไหมเพราะใครๆเขาก็ดูกายหลวงปู่บอกว่าที่เข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเราพอนาเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วเอาอะไรก็บกายกลายเป็นของทิ้งนะเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเห็นไห้ตัวเนี้ยมันทํางานไปได้วยรู้ด้วยใจที่อยู่ต่างหากคดีที่ไม่ไปจับตัวรู้ด้วยตัวรู้ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะ ถ้าเพ่งสายมันจะติดสมถะที่แก้ยากที่สุดเลยหลวงพ่อเคยพลาดไปติดเข้าไปฟังหลวงพ่อคืนพูดท่านบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่จิตหรอกไปดูอะไรมันเราก็เลยไปดูตัวนี้แทนพรากว่าติดเช้าขึ้นมาแนละ้วรู้ว่าผิดแล้วดูทั้งคืนนะแล้วจิตมันเคยชินจะจับตัวเนี้ยจะไปเล่นงานท่านหนระ ผลักประตูไปเลยกุฏิอยู่ติดกันเราผลักประตูโครมท่านก็โครมออกมาเหมือนกันเรากำลังจะโบยวายใส่แนละ้วามาสอนอะไรทำให้เราเพี้ยนไปหมดแล้วท่านโมยวายก่อนเฮ้ย hey, ประโมดูจิตยังไงอ่ะฟุ้งซ่านไปหมดแล้วท่านวัยรู้ว่าเราจะเล่นงานแล้วเล่นเราก่อนเลยเราเห็นตัวนี้แล้วดีแล้วเห็นมันทำงานไป แล้วแต่พอจะเห็นทุกะจะทุกที่สุดเลยไม่มีอะไรทุกเท่านี้เลยแล้วก็เวลาบรรทุกจิตทนไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ทำสมถะใช้สมถะนะไม่มีที่พั ก, กอื่นเลยโลสติมันอัตโนมัติเราเห็นตัวนีไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยมันจะไม่มีที่พักที่พักมีที่เดียวคือทำสมถะถ้าไม่ทำสมถะเลยนะใจจะอ่อนล้าอย่างรุนแรงเลย ค่ะาค่วเราังตัวนี้นะเดี๋ยวจะเจอแล้วหนูหนูเคยไปควานหาไอ้ตัวเออนั้นหลายดีที่ไม่เจอพอดีหนูจําได้ว่าหลวงพ่อไม่ให้ไปไปไปจับตรงนั้นแล้วหลวงพ่อให้หนูเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งคือสวดมวนต์ก่อนแล้วก็ดูกายแล้วก็ดูจิตคือถ้าหนูไปเห็นจิตตรงนี้แล้วหนูก็ไม่ต้องไปดูย้อนไปดูใช่ไหมคะคือเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งนับหนึ่งทุกวันนะ ที่หนูภาวนาได้ดีแล้วไม่พลาดนะเพราหนูนับหนึ่งทุกวันค่ะถ้าหนูต่อยอดไปื่ไหร่หนูพังทันทีเลยค่ะหนูจะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะทําไมต่อยอดแล้วพังเพราะว่ามันไม่ใช่สภาวะจริงแต่มันเป็นการที่เราจําสภาวะที่เมื่อวานเนี้ทําได้ไม่ไปจําสภาวะในอดีตมาแล้วมาดูต่อไม่มีของจริงให้ดูแล้วนะงั้เริ่มต้นนับหนึ่งเลย กลับมารู้สึกตัวดูวมันทํางานคือเมื่อก่อนมันจะเห็นว่าเป็นทุกข์มากค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูเสือพอหนูเห็นแล้วหนูมันมียิ้มๆว่าว่ามันไปนเห็นนะคะเออให้มันยิ้มไปกลับขอพระคุณค่ะแล้วเวลามันเหน็ดเหนื่อยทําสมถะดีนะภาวนาใช้ได้เลยบ้านอยู่ที่ไหนอยู่อุบลครับดีภาวนาดีกลับขอบพระคุณค่ะ กกรการานมัสจอุบลนีเมืองนักปราดอยู่ไหนอยู่ไหนอุบลราชธานีค่ะอุบลเนาะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพ่ อ, อตอนนี้เห็นหัวใจเต้นเร็วแรงมากค่ะเราอย่าไม่ได้อย่างคนตะกี้นะอย่างขณะนี้ใจเราแน่นแน่นรู้สึกไหมเราตื่นเต้นเสร็จเต้นแล้วเราก็พยายามควบคุมตัวเอง ตรงที่พยายามควบคุมตัวเองนะครมันกลายเป็นการบังคับจิตตัวเองถ้านะไปตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นก็ดูไปสบายสบายค่ะก็ปฏิบัติาตามที่หลวงพ่อแนะนํามาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็ส่วนใหญ่จ ะ, จะมีสติในชีวิตประจําวันในเรื่องของการทํางานที่อารมณ์มันเกิดขึ้นความรู้สึกมันเกิดขึ้นก็จะาตามรู้ตามดูนะคะแล้วก็ ทำในรูปแบบบ้างาจนมันมีสภาวะรมอย่างนึ่งเกิดขึ้นซึ่งหนูไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรคือในวันที่จะไปทํางานแล้วขับรถนะคะแล้วเหมือนกับจิตมันไหลไปได้ยินเสียงตามเสียงตามเสียงที่เราได้ยินนะคะแล้วเราก็รู้สึกตกใจคือมันแวบไปแวบไปนิดเดียวค่ะคะ่นนชั่ววินาทีแล้วหนูไม่มั่นใจว่ามันมันคืออะไรในสภาวะรมตัวนี้ก็จิตมันลงไปแล้วสติมันเกิด ดีนะแล้วเห็นไหมตอนที่สติเกิดได้ที่หลงดับทันทีเลยใช่ค่ะมันแป๊บเดียวนั่นแหละมันเกิดดับอย่างเงี้ยล่ะไวมากค่ะหลวงพ่อทีนี้หนูก็พยายามปฏิบัติในแบบเดิมที่หลวงพ่อแนะนําฟังจากซีดีนะคะแล้วก็อยากเห็นสภาวะธรรมนั้นอีกก็ไม่เคยเห็นได้โลภได้เห็นนะค่ะแต่โลภเราไม่เห็นหรอกคก็ก็ไม่เกิดขึ้นอีกค่ะไม่เกิดทําไปสบายๆรินับหนึ่งทุกวันนะ รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็คอยอ่านใจของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสิ่งเหล่นั้นมันเกิดเองแหละก็ะจะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะในเรื่องของการเดินเดินจงกรมนะคะยกมาอย่างนี้เดินจงกรมนะคะหลวงพ่ อ, เ, อเวลาที่ที่หนูเดินนะคะคือหนูจะเคยฝึกเรื่องพองยุบมาก่อนนะ่าไม่ใช่พองยุบค่ะอย่ยางหนอนะะนั่นแหะค่ะหนอนนะคะพองยุบหละใช่ค่ะทีนี้ เวลาเวลาที่หนูเดินน่ะหนูจะกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วจิตก็จะไหลไปคิดเรื่องน้น เ, เรื่องนี้ทีนี้เวลาคิดแล้วเราดึงกลับมาที่เท้าขวาซ้ายนี่หนูทำถูกต้องไหมคะหรือยังไงคะเดินไปขวาซ้ายขวาซ้ายไม่ผิด<ะ>แล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจบแค่นั้นถูก<ะ>ถ้าไปดึงจิตคืนมามันจะแน่นเราไปดึงจิตกลับมาอยู่ที่เท้าหวงอะไรกับเท้า <laughs> นะแค่รู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วล่ะแล้วก็เดินขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆทีนี้เขาเขาคิดหลายเรื่องนะค่ะหลวงพ่อเวลาที่เดินก็ให้รู้ตามเรื่องที่คิดทีละช็อตเลยอ๋อค่ะเนี่ยลงพี่คิดแล้วจบขวาซ้ายไปลงพี่คิดแล้วก็จบแล้วก็มาเดินต่อค่ะไม่ใช่ลงไปคิดแล้วดึงจิตมาอยู่ที่เท้านะอย่างนีผิดแน่นอนแสดงว่าในระหว่างที่เดินแล้วคิดหลายๆเรื่องแล้วรู้หลายๆช็อตนี้ นี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะถูกทีละชอ็อตค่ะนะรู้เป็นชอ็ชอตชไปใช้ได้ที่เฝือกับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะดีที่ไม่ติดกำหนดไปเรื่อยๆนะไปไม่รอดหรอกกำหนดเพราะกูดไปไปข่มไว้ไปบังคับไว้ให้ใจก็เครียดนี่ทีมงานหลวงพ่อเก่งจริงนะหลวพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้ยินแล้ว เา้นเซอร์เราได้ยินนะที่แรกว่าไม่ได้ยินเราจะโมเมเลิกไปเลยเ้าเามาหลวงพ่อหนูอยู่ศิีสเกตค่ะมากับคณะอยู่บนค่ะใช้ได้หน<อ>ูค่ะพอดีหนูกลับไปพุทโธเที่ยวที่แล้วที่มาข็หนูขายดอกไม้อยู่ตลาดนะคะพุทโธไปพุทโธไปแล้วเจิตมัน มันรวมลงไปแล้วหนูเห็นพุโทโธมันแตกออกจากใจอะคะอ่ะหลพ่อมันเป็นอะไรคะพุโทโธเนยังไม่ใช่ใจเราใจคือคนที่รู้ว่าพุโทโธนะพุโทโธอันแรกเราเป็นความคิดของเราคิดพุโทโธพุธโทโธไปดูภาวนาดีนะภาวนาดีภาวนาไปเรื่อยๆทาถูกแล้วล่ะค่ะสาธุครัหลพ่อรถตู้รอบนี้เนี่ย น, นะภุม้มที่สุดเลยสามคนที่ส่งกันบ้านนี้นะ เยี่ยมเยียมทั้งนั้นหละจบแล้วยังถามไปยังก็ก็มีเรื่องสงสัยแค่นี้ล่ะค่ะว่ามันเป็นอะไรสิ่งที่เห็นนะคะหลวงพ่ออะไรเกิดขึ้นไม่สำคัญไม่สำคัญด้วยว่ามันคืออะไรแค่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับแค่นั้นพอละ แต่ก่อนหนูพูดโธไม่ค่อยได้ใจหนูจะแน่นนะคะแต่พอเห็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้พุดโธมันมันสบายมันเบาขึ้นแล้วค่ะที่พอขณะนี้<ฆ>จิตมีปีติรู้ไหมคะ<ฆ>อย่ารู้อย่าให้ปีติครอบใจเรารู้เฉยๆไม่ต้องแก้เมื่อกี้พยายามจะรักษาจิตและให้ปีติครอบนะรู้ลงไปอย่างนี้ค่ะสาธุครับครับมาจากอุบลอีกข้อเนี่ยครับมาจากอุบลเหรอ กลับนมัสการหลวงพ่อแ ส, <ะ S 1> สดงว่าฝึกซ้อมยกมือมาดีนะเ <c oughs> ยนพร้อมเพรียง <ผม S 2> ว่าไปผมมาครั้งแรกครับออคือปฏิบัติตามรูปแบบที่หลวงพ่อเคยบอกในยู u b e ไว้ครับพุโทโธพุโทโธจิตหลงแล้วก็รู้ครับอยากขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อไม่ไ ม, ไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกนะที่ปฏิบัติถูกอยู่แล้วถูกต้องแล้ว งั้นไปทําต่อไปขอบคุณครับจุดสําคัญไม่ใช่ความสุขความสงบความดีจุดสําคัญที่เราต้องการคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยปัญญาปัญญาก็คือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจงั้เรามาพุโทโธพุโทโธเนะี่ยแล้วจิตเราเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลง เ, เราคอยรู้คอยเห็นต่อไปปัญญามราก็เกิดมันจะรู้ว่าจิตไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เอง คนอูบัตรอบนี้ได้สี่คนแล้วนะใช้ได้บางคนเนี่ยหลวงพ่อต้องดูแล้วดูอีกนะเพราะว่าจิตเนี่ยเนียบมากเลยเนี้ยบจนกระทาั่งความเป็นตัวตนเนี่ยไม่เกิด้ะต้องใช้เวลาดูช่วงหนึ่งตัวตวนมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมานะดูออกไม่หนุ่มบางทีมีเงาอยู่ครับนั่นแหละอย่างอยู่ นานนา น, นานมาทีครับเออดูครับตอนนี้เขามาเห็นหรือเปล่าครับตื่นเต้ น, นครับไม่ใช่ผลงพ่อหมายถึงตัวเงานะเงาของตัวตนนะราวนาได้ดีนะดีมากๆเลยอยู่ข้างหลัง ขอโอกาสหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะยกมือหน่อยยกมือขอดูหน้าหน่อยอนั่งได้ว่าไปก็ส่งการบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพอ่อเพิ่งเหมือนจะว่าเข้าใจค่ะหนูภาวนาใช้ได้นะเพียงแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเราไปกดมันไว้เท่านั้นแหละพอรู้เท่าทันความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันแล้วแหละใช้ได้นะรอบนี้ดี หลายคนเลยกราบนะมรสการหลวงพ่อครับครับคือครับผมขอขอมาหลวงพ่อด้วยนะคที่ทักทักที่เคยตามมาหลวงพ่อไปนะแล้วก็แต่ก่อนเนะี่ยคือหลงตัวเองแล้วก็ปฏิบัติผิดแต่คิดว่าตัวเองทาถูก mm hmm. แล้วก็หลงตัวเองไปนานเลยแล้วก็คือรู้สึกว่าตัวเอง ก็เรื่นจะกลับข้าลองขอาลอยบ้างครับถูกแล้วล่ะครับก็พอใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับใช้ได้ครับอยู่บนหรือเป่าเนี่ยอยู่หัวหินครับโอ้หหัวหินเหรอครับหัวหินก็เรียนธรรมะด้วยกันดู u t u b e ฟังซีดีหลวงพ่อไปเนาะครับไม่ต้องวิ่งเข้าวัดนัดนี้นะอันตรายครับครับพยายามรับขาบนแฮ หลว ง, งพ่อมีคําแนะนําอะไรไหมครัภาวนาได้ดีแล้วล่ะครับนะอยู่กับปัจจุบันไปเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะดูไปเรื่อยๆคือตอนตอนอยู่ที่ร้านนะครับคือมันก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเราจะอยากดูนู่นดูนี่แล้วก็แบบมีความทุกข์มากอะไรเงี้ยครับแล้วก็อา่าก็เลยแบบคือนณเวลานี้ก็เลยแบบเอา่าเหมือนกับว่า เสร็จตัวเองขึ้นมาว่าออดูได้เท่านั้นเท่า น, นี้อะไรเงี้ยครับครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณฮนะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งเวลาได้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ให้ดูได้วันละเท่านี้เท่านี้อะไรตั้งตั้งว ต, ตั้งในการในมือถือนับถอยหลังเอาะครับเอา <c oughs> เถอะดีกว่าเล่นทั้งวันอย่างถ้าเราจําเป็นต้องทำอาหากินนีเรื่องหนึ่งนะ มันจาเป็นต้องรู้ข้อมูลต้องอไหร่เนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่ต่อต้านเทคโนโลยีนะแต่ว่าอย่าเป็นทาสเทคโนโลยีเท่านั้นแหละเป็นทาสหมายถึงว่าหิวมันตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องใช้ก็อยากใช้แต่ถ้าเราต้องการใช้เพื่อหาข้อมูลเพื่อทำธุรกิจเพื่ออะไรเนี่ยทำได้แต่อย่าเป็นนั่งเล่นเกมแข่งกันอะไรเงี้ยไสาระ ว่าล้ออะไรอ่ะฮะใจเดียวกันใช่ไหมกลับนวันสัการหลวงพ่อครับครั้งนี้มาส่งกันบ้านที่สองครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมฟุ้งเยอะแล้วให้หากรรมฐานผมก็กลับไปดูดูลมหายใจน่ะอกพองยุบนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะรู้ตัวไหม ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมไปกดให้มันนิ่งหรือป่าครับวิธีดูว่ากดคือไม่กดเนี่ยสังเกตที่ใจเรารถ้าใจเราหนักใจเราแน่นใจเราแข็งทื่อๆอะไรเงี้ยกดถ้าใจเป็นธรรมชาติธรรมดาสบายบสบา ย, บายไม่ได้กดคือ บ, บ, าบางครั้ ง, ช, งช่วงแรกๆผมนั่งครั้งละสี่ิ้าทีช่วงแรกนั่งเนี่ยมันก็จะคิดนู้นคิดนี้แล้วก็กรู้ทันมันบ้างแต่พอหลังๆมันเหมือนกับว่า มันไม่คิดแล้วละครับมันอยู่นิ่งๆไม่แน่ใจว่ามันมันผิดหรือเปล่า น, นะครับมันติดนิ่งครับอย่านอฟจิตให้นิ่งนะจะจะทํำยังไงให้ให้มันหลุดออกมาได้ครับก็ อ, อย่าไปติดมันแล้วหลุดแล้ว <laughs> อย่าไปบังคับจิตบังคับอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิ ทำใจให้สบายกว่า น, นี้อีกโมหาแทรกแล้วนะรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยใช้จิตขนาดนี้นะแล้วก็รู้กรรมฐานไปอย่าให้มันแรงวันนี้แรงวันนี้มันจะแน่นๆหรือไม่ก็ซึมไปเลย อบคุณครับกบนบมามสการ์เจ้าค่ะหลวงพออ่อเนีเ่ส่งการบ้านในรอบสิบห้าเดือนนะคะแล้วร่วมใจอะไรอ่ะอยู่ทางโลกมันขับขับแขนใจเนาะน่าสงสารก็ที่เห็นสภาวะค่ะก็คือมันมันวิดวิดวิดวิดตรงอกอะคะ่ะเห็นจริงๆใช่ไหมคะ อย่าให้อารมณ์นะมันครอบงำใจเราได้มีความเศร้าใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีสติรู้เห็นว่าความไม่สบายใจทั้งหลายเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูซึ่งไม่เคยไม่สบายใจเลยเนะีย่คยค่อยๆฝึกตัวเองไปอยู่กับโลกมันเต็มไปได้วยความทุกข์เพราะโลกมันทุกอย่างมันถูกแล้วที่โลกมันทุก นี่เราอยู่กับมันก็อยู่ให้เป็นอยู่แล้วไม่ติดมันจำเป็นต้องอยู่ก็อยู่กับมันนะแต่ไม่ให้ใจเราปนเปื้อนกับมันมีสติดูแลจิตใจของเราไปเรื่อยๆโลกก็จะไม่มาเปื้อนใจเราไม่มีไม่มีปัญหาที่ไม่จบนะปัญหาหรือกระทั่งความทุกข์ เกิดได้ก็ดับได้ความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยดูใจเย็นๆอย่าไปเกลียดมันค่ะ ข, ขอบคุณคนะ่ะเอาเชิญกลับบ้าน